อันนามยังส <en> ังานุสตินยังกโรมาเส โนมะวัโดิ์สวจสดังโกูราชสงสาวัฒของพระภูมิพระราคเจ้าปริบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วจ้ารีปิปันติปันโนมะวัสดิ์สวาสดั้งภูราชสงสารวัฒของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้ว บุคคผู้แห่งภุรูศีผู้นเปลี่ยนตัวภุรูได้แป่ภุรุเอจักพคะวโตชาวกตังโงนั่นแหละสมสของพระผุมีพระภาเจ้าอาหเ เป็นผู้ทวรรับการตีนากานอัญเชิญก็เรีกรยก l เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชิญานุสรางคุณยกเกตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญหรือที่กว่านะที่เบียสทงพระสงค์นะต่อไปก็เฉพาะพลนาเฉพาะคุณของพระสงค์ หันดมายังสังคาพิกิติงกะโรมาเซ เกิดจากอกเกิดจากอุระแล้วก็พระธรรมเนรมิตขึ้นนะสาวกของพระผู้มีพระเจ้าอาริยาสาวกเนี่ยเกิดจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเอางี้นะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุได้บรรลุเนะเป็นพระโสดาบันนี่นะ ท่านบนนั้นชื่อว่าเกิดจากพระโอษของภาษาสดาเกิดจากพระโอษเพราะพระธรรมเนี่ยคําสอนที่เรากําลังศึกษากันอยู่เนี่ยพระโอษของภาษาสดาเปล่งออกมาใช่ไหมเกิดแต่อกไหมถามบอกว่าในหัดในอกของภาษาสดามีหัตยย่อถูไหมในหัตย์ย่อถูนั้นเป็นที่อาศัยของสัพยุตยาน คือมหากริยาญาณาสามยุทธที่เป็นโสมนัสและเป็นอาสังคาริกที่มีปัญญาเกิดในนั้นหละอาศัยหัวใจของพระเจ้านั่นแหละกำลังเกิดดับเป็นไปอยู่อ่ะเข้าไปทะลุทะลวงพระธรรมคำสอนเขาเรียกว่าเกิดแต่อกผ่านพระโอษ์กลายเป็นพระธรรมเนรมิตรจากบุคคลที่เป็นบุรุชนให้เป็นพระโสดาบันเนรมิตร พระโสดาบันนี่เป็นพระสกาธาจากพระนาคายเป็นพระอาราหณ์สกาธาเป็นนาคาพรานาคาเป็นพระนรายณ์พระธรรมเนรมิตรไหมเกิดแต่พระโอษมัยเกิดแต่อกไหมเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสเนี่ยเราไม่ได้เกิดจากอูละเกิดจากอกจากพระศาสดาเลยเนี่ยพระธรรมยังไม่เนรมิตรเราจะปุริชนเป็นพระยะเลยในตอนเนี้ยเพราะเราอะไร พราเราไม่ฟังทำไม่ฟังให้ถูกเราไปฟังอะไรกันก็ไม่รู้ไปฟังอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเปิดตาก็มีแต่เสียงเพลงเสียงอะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมใช่ใคายังฟังเพลงบ้างนิดเดีไม่ฟังเลยเนาะต่าไปก็ตัดขาดเลยเนี่ยใครยังดูข่าวอยู่โอ้โหเต็มไปหมดเลยตอนนี้นี่เนยเต็มไปมากๆนะเขากเครียดใช่ไหมนะเขาอะไรก็ไม่รู้กลับมาก็มาเครียด ลำบากแยกลำบากแล้วผู้ที่ดำเนินไปสู่ความเจริญที่อยู่ไกลาจากสภะกิเลสทั้งหลายผู้ที่โลกควรบูชาและถึงว่าเป็นสาณะเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นผู้ฟังโอวาทศาสนีด้วยความเคารพถามว่าสาวกของพระาศาสดานี่ฟังโอวาทของพระเจ้ า, า, าด้วยความเคารพไหมด้วยความเคารพกระทำกิจสี่อย่างของผู้ฟังกิจในการรอบรู้ทุก กิจในการล่าสมูทายกิจในการทํานิโรธให้แจ้งและกิจในการประชุมบริมาร์ฉะนั้นสงสาวกของพระเจ้าเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันก็เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิศีลก็เสมอกันตัวสัมมาทิฏฐิก็เสมอการเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงเนื้น ม, มาร์สัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิ พระโสดาบันเนี่ยเสมอกันด้วยสีลสัมปันโนและทิฏฐิสัมปันโนไหมถึงเสมอกันไหมพระโสดาบันกับพระโสดาบันเนี่ยศีลกับความเห็นนี่เสมอกันไหมเสมอกันศีลบริสุทธิ์ไหมคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดเลยเขาเรียกสีลสัมปันโนแล้วกับทิฏฐิสัมปันโนนั่นกรรมปัจกตาสมาทิฏฐิวิปัสสนาสมาธิฐิมัคคสัมมาทิฏฐิผลสมาทิฐปัจเวก สมาธิที่เนี่ยของพระโสะดาบันเนี่ยเสมอกันหมดเลยศีลก็เสมอกันศีลบริสุทธิ์หมดจดเหมือนกันความเห็นก็เหมือนกันเข้าใจในเรื่องกรรมเหมือนกันเข้าใจวิปัสสนาเหมือนกันเข้าใจเรื่องมรรคเหมือนกันเข้าใจผลเหมือนกันและเข้าใจปัจจเวคขณะยานยานที่เข้าไปรู้มรรคผลกิเลสที่ด่กิเลสที่เหลื อ, ลอแล้วก็พระนิพพานก็เหมือนกัน นี่คือพระโสดาบันจึงเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐินี่คำว่าเสมอกันนี่นี่คือนี่ไงเป็นอย่างนี้แล้วพัสกาทาคาล่ะเสมอกันอย่างนั้นนี่แหละอย่างนั้นก็คืออะไรเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิเดิมที่ได้กล่าวนั้นพัสกาทาคาก็ศีลเสมอกันกามสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิ ปัดเจวกส ม, มาธิถีเหมือนกันไหมไม่แปลนี่เข้าใจา ย, ยากไหมยากจะไหมก็บอกแล้วไงเมื่อกี้กรรมสักตาส ม, มา ธ, ธิิปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจนวิปัสสนาส ม, มาธิถิพระโสดาบันสกตาคาเขารู้วิปัสสนาตามลําดับเลยนะโอ้แต่าลายยาวเนะื้อคำวิปัสสนาเนี่ย ถ้าบอกนามรูปปริเฉทญาณปัจจยะริคห า, า, า, า, า, ายานสัมมาสนญาณอุทยะพยาญาณไปยุ่ง่างนี้ใช่ไหมถึงบอกไงตรงนี้ว่าให้รู้คร่าวๆไว้คนเพราะเป็นเพราะเป็นฐานที่เราจะเข้าไปเจาะคำสอนให้ชัดแต่ตรงนี้แหละจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราเดินได้ถูกจริงๆไม่ยริงนี่เป็นอย่างนี้มาต้องการให้เราเข้าใจฐานแล้วจะได้มองให้ตรงก่อน ส่วนผ้านาคามีทั้งหลายเสมอกันด้วยอธิศีลและสิกขาและที่จิตแต่สิกขาที่บริบูรณ์จะลืมนะผ้านาคาเนี่ยอธิศีลบริบูรณ์ยังบริบูรณ์แล้วมากกว่าพระโสดาบันไหมมากกว่าแล้วอธิจิตแ่ะบริบูรณ์ฉะนั้นผ้านาคาเนี่ยถ้าใครเป็นผ้านาคาเนะทัถาตายปุบ๊บจะไม่ได้จะไม่มาในกามภูมิ อีกแล้วเพราะสมาธิบริบูรณ์แล้วเป็นอธิอธสมาธิแล้วอธิจิตตสิกขาบริบูรณ์แล้วนู้นไปอยู่ในสุทธาวาสหรือไม่สุทธาวาสก็อยู่ในรูปภูมิหรือรูปภูมิตามที่ใจท่านจะน้อมไปเพราะจิตท่านบริบูรณ์สีนั่นบริบูรณ์เราที่ไปเกิดในปฐมฌานภูมิเป็นต้นไม่ได้เพราะจิต ไม่เป็นสมาธิเราที่มาเป็นมนุษย์และเทวดาไม่ได้เพราะศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าตอนนี้นะถ้าชั้นกุศลศีลเราไม่ดีเนี่ยนะโอกาสการเป็นมนุษย์หมดไหมหมดตามกว่าเดิมไหมตามกว่าเดิมลําบากกว่าเดิมไหม ต, ต, ตอนนี้ยลําบากแต่ตอนเนี้ย มันอยู่ในระหว่างว่าจะลงต่ําหรือขึ้นสูงเห็นไหมเอาไงดีปรึกษากิเลสหรื อ, อยังบอกว่ากิเลสเอ้ยปล่อยแล้วสักคนเถอะเราไม่อยากจะไปแล้วบ้านเดิมเนี่ยอะไรคือบ้านเดิมไาบายภูมิคือบ้านเดิมของสัตว์จริงๆนั่นจัดทั้ ง, ง, ง, งหลายจึงน้อมจะจะไปอยู่เรือ่อย ถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมไหมไม่ไหวแล้วลำบากนั่นก็แปลว่าอะไรไมั้รักษาศีลไหมอูนี่เอาหลอกเจริญศีลสมาธิปัญญาอูยิ่งไม่เอาใหญ่เขาบอกอะไรเราลุ้มเ่ยอย่าชวนเราเถอะไปเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยเราไม่เอาด้วยเราจะกลับบ้านเดิมเราแล้วมันเดียวกันไหม เพราะเขาจะชวนแล้วปแต่บอกว่าจะเล่นกุศลอยู่คงไม่แล้วตรงนี้ก็คือว่าพระถ้าพระอรหรันต์ก็เสมอกันบริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาอาธิศีลสิกขาบริบูรณ์ในพระอรหันต์อธิจิตสิกขาบริบูรณ์ไหมอาธิปัญญาสิกขาบริบูรณ์ไหมฉะนั้นพระอรหันต์จึงบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกอธิศีลอธิจิตแล้วก็อาธิปัญญาทีนี้ ฉะนั้นถ้าเราเจะ น, นอบน้อมภาริยาสาวกเนี่ยเกิดแต่พระโอษฐ์เขา้าใจยังเกิดแต่อกนะแล้วก็เกิดจากพระธรรมเนรมิตขึ้นทีนี้คำว่าสุปฏิปันโนแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกันสุปฏิปันโนพะขาวะโตสาวกกระซังโคแปลว่าอะไร ถ้าปฏิบัติยังไงเรียกว่าดีถ้าเราปฏิบัติยังไงก็เรียกว่าดีคํ า, า, งง ว, าคว่าดีตรงนั้นก็เรียกปฏิบัติแบบไม่มีมายาไม่มีมายาอะไรคือมายาอะไรคือมายาคือสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่อวดคุณจะไม่โอ้อวดใช่ไหม เพราะท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามพระสุคตสาสดาดําเนินไปสู่หนทางที่ดีแล้วก็ทางที่งามอะไรคือทางที่ดีอะไรคือทางที่งามมัชชิมาปฏิบัติหรือมาร์กแปดแหละเป็นทางที่ดีเป็นทางที่งามทุจริตสามนี่เป็นทางดีไหมทางงามไหมสุจริตสามละดีไหมเนี่ยเป็นทางที่ดีทางที่งามให้สังเกตว่า ถ้าใจเราเกิดการมาฉันท่าเกิดพยาบาทเกิดทีนะมิทะตอนเนี้ยเกิดอุทะจกักเกิดวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดเอาวิชาเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าปฏิบัติดีไหมปฏิบัติงามไหมอันนี้ปฏิบัติออกนอกทางหีือยังเนี่ยปฏิบัติกั็อย่างนี้ไงคําว่าปฏิบัติมันเป็นเรื่องการขับเน้นของการเข้าใจแล้วก็การเดินกุศลจิตให้ได้นะเขาเรียกปฏิบัติดี ถ้าครูสจิตไม่เกิดเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเขาเรียกอะไรดีก็คือตรงข้ามกับไม่ดีใช่ไหมก็คือปฏิบัติไม่ดีก็คือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่งามปฏิบัติไม่ไม่ไม่ไม่เดินตามพระสุคตพระศาสดาไปพระพุทธเจ้าเดินทางนี้กลับไปเดินอีกทางหนึ่งแล้วเจะ แล้วจะพบพระเจ้าไแบบนี้ยไปคนละทางแล้ว ย, ยิ่งไกลไหมยิ่งไกลนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกปฏิบัติชอบได้ไหมและปฏิบัติชอบคนที่ภาษาสระไปสา ว, พาวากพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติชอบเพราะประกอบด้วยปัญญาไม่ปฏิบัติมิจฉาปฏิบัติธอันหาประโยชน์ไม่ได้เอาถ้าโลภะโทสะหมดโมหะเกิดขึ้นเป็นมิจฉาปฏิบัติธมไหม หาประโยชน์ได้ไหมประโยชน์ปัจจุบันได้ไหมประโยชน์ในพรุน้าไม่ต้องพูดถึงประโยชน์อย่างยิ่งเลยเสียประโยชน์สมมักไหมเสียเอาถ้าถ้าตอนนี้หดหูท้อถอยอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติชอบไหมเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิฉาปฏิปทานี่เราตอบเองนะใช่ไหมตอบเองนะว่าไงโยวหวาน เป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทาใช่ไหมถ้าเกิดหดหูท้อถอยเป็นอะไรเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทาควรเดินัหมไม่ควรเดินนะเนืฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าปฏิบัติที่เป็นมิจฉาปฏิปทาหาประโยชน์ไม่ได้ แต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติชอบจะออกจากมิจฉาปฏิปทาที่หาประโยชน์ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเหมาะสมแก่การออกจากวัตตะตอนนี้มาดูใจเราทีว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเหมาะสมหรือยังที่จะเดินออกจากวัตตะเหมาะหรือ ย, อยังที่จะออกจากชาติชราพยาที่มรณนะเหมาะไม่เหมาะเข้าใจยังเนี่ยนี่จะเริ่มเห็นตัวเองว่าเหมาะไม่เหมาะ สู่ไหมสู้เนะไม่มีทางไปแล้วอังจริงถอยหลังก็จะถอยอยังไงเอาชีวิตเนี่ยถอยก็ไปหาทางผิดเดินก็ท้อจะทํายังไงเขาบอกถึงป่าช้าต้องเผาหมต้อยอมเผาไปก่อนแต่ไม่ถ้าใจอย่างนั้นยังไม่พ่อเราเห็นเราเห็นข้อมูลแล้วว่า ถ้าเราออกจากคําสอนพุทธเจ้าเราจะเสียหายมากๆนี่เขาเรียกว่าเป็นอปันนากาปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดอปันนกาปฏิปทาฉั้นสาวกของพระศ า, าสดาเนี่ยนะจะต้องเป็นพระผู้มีปฏิบัติเป็นอปันนากาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดจากพระธรรมวินัยที่พระศ า, าสดาตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยก็สุปฏิปันโนโหเย่อไหมเนี่ย พิสูบปฏิบัติโนก็คือว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติไม่มีมายาปฏิบัติตามพระสุคต ศ, ศาสดาดําเนินไปตามมุนทางอันดีไม่ไปสู่ทางไปสู่ทางที่งามทางที่เป็นการปฏิบัติชอบเพราะประกอบไปด้วยปัญญาไม่เป็นมิจฉาปฏิปทาที่หาประโยชน์สามไม่ได้เป็นพระผู้ปฏิบัติเหมาะสมแก่การที่จะออกจากวัฏตะ ทั้งหลายตอนนี้นะเราเจอพวกอามิตรทั้งหลายเนี่ยนะล่อเต็มไปหมดแล้วปัจจามิตรโลกามิตรวตตามิตรตอนนี้ยังเยียเพิ่งพูดถึงเรื่องการออกจากวตาก่อนเนี่ยนะตอนนี้คือปัจจามิตรเนี่ยเราจะออกจากอามิตรคือปัจจัยได้ยังไงเนี่ยออกจากอามิตรคือที่อยู่อาศัย ออกจากอามิตรคืออาหารออกจากอามิตคือเครื่องนุ่งหม่มออกจากอามิตคือยาทั้งหลายที่เราบริโภคตั้งแต่ยาบำรุงร่างกายเป็นต้นไปนี่แหละจะออกจากเหยื่อคืออามิตเหล่านี้ได้ยังไงทําให้สัตว์ติดอยู่ไหมอามิตรเหล่านเนี้ยติดอามิตรนนเนี่ยม่ใช่คําว่าอามะสัพ์นั่นนี่ยเขาแปลว่ากินคราวของกิเลส ถ้าอามะคันทสูตรที่กล่าวถึงอามะคันธพราหมณเนี่ยพราหม์ที่สังเกียจกลิ่นดิบแปลว่ากลิ่นดิบกลิ่นดิบในที่นั้นเป็นชื่อของกิเลสแต่พราหมณ์ไม่เข้าใจว่าปลาเลนเนื้อเนี่ยเป็นกลิ่นดิบแต่ภาษาสดาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์นั่นไม่เรียกว่ากลินดิบมันไม่ไม่ใช่ กลิ่นดิบก็คือราคะความกำหนัดงไงเป็นกลิ่นดิบโทสะความโกรธก็เป็นกลิ่นดิบโมหะความหลงก็เป็นกลิ่นดิบที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายติดฉะนั้นอามิตรเนี่ยแปลว่าเหยื่อใช่ไหมทําให้สัตว์เนี่ยติดกลิ่นต้นกิเลสที่เราก็มองเลยว่าอ๋อยังไงปัจจามิตรก็คือมาจากคาปัจจัยบวกอามิตร มันทำให้ตัดติดไหมติดตอนนี้เราท่านทั้งหลายติดกันหมดแล้วออกไม่ได้ต่อมาก็โลกามิตรติดไม่ติดถ้าเป็นพ่อติดไหมเป็นพ่อก็ติดแม่ติดลูกติดหลานเขาเรียกว่าพ่อแล้วเขาเรียกว่าแม่แล้วเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์แล้ว มีฐานะแล้วเนี่ยถ้ามาเนี่ยติดอ่ะโอ้ยเรามีลูกศิษย์ลูกหาเออเราเป็นอาจารย์ของเวลาชาเป็นอาจารย์ของกล่าวบดีมหาศารเป็นอาจารย์ของอุบาสกุบาสิกาติดมาเลยเนี่ยก็เรื่อโลกามิตุทถ้าใครไปหลงกับดักตรงนี้อ่ะเรียบร้อยพระก็ติดถ้าไม่วิจัยถ้าไม่พิจารณาโยมก็ติดฐานะที่ตนเองได้ติดกันหมด เพรดีเนี่ยเมปั จ, จามิตรก็เป็นเหยื่อล่อให้ติดโลกามิตรสถานะทางสังคมที่เราได้ก็ติดวัตตามิตอามิตคือวัตกรรมวัตติดไมกิเลสวัตวิปากวัตตอนนี้ติดวิบากไหมเนี่ยได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วยึดติดไหม ย, ยึดติด กิเลสที่เกิดขึ้นเป็นตัวยึดติดด้วยใช่ไหมแล้วทํากรรมต่อไหมทํากรรมที่จะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อติดหมดเลยตอเนี้ยเห็นไหมติดทั้งปัจจามิตรติดทั้งโลกามิตรติดทั้งวัฏจามิตรเราจะออกอยังไงพระเจ้าบอกว่าเออตอนนี้มีศีลหรื อ, อยังตอนนี้มาสมาทานศีลแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อช่วงบ่ายอช่วงสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วจะไม่ตอนบ่าย อพอสมาธิทานศีลเบษษ็ดเสร็จแล้วเหมือนแล้ยืนอยู่บนเกาะเล็กๆได้แล้วตอนเนี้ยยืนอยู่บนเกาะเด็กเล็กๆได้แล้วทีนี้ในเกาะเล็กๆนั้นมันมีนม้นําล้อมรอบหมดเลยทะเลทะเลเกลือล้อมรอบหมดแล้วอย่าลืมนะว่าถ้าขืนอยู่บนเกาะนั้นต่อไปน้ํามันจะท่วมไหมตอนนี้ความตายมันวิ่งเข้ามาอยู่ไหมเนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งคลืบคลืบค้ำมาเรื่อยนะ สรุปก็คือมนุษย์เนี่ยลงาให้ใจอยาขาดกันอยู่แล้วแต่เราก็ยืนอยู่บนสีน ย, ยังได้อยู่อย่างใช่มั้ยังมีเกาะเล็กๆเกนี่ยแต่น้ำมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยไหทีนี้เราจะก้าวสู่เรื อ, อยังไงจะก้าวสู่เรื อ, อยังไงเรือในที่นั้นก็คือปั จ, จเจกขณะสุทิก่อนคือการพิจารณาอาม i t h นี่ พิจารณาปัจจามิตรและโลกามิตรเอาต่อไปเริ่มพิจารณาได้ยังเอาอะไรไปพิจารณาเอาสติเอาปัญญานี่แหละเอาไปพิจารณาที่อยู่อาศัยต้องพิจารณาไหมพิจารณาไม่ให้กิเลสเกิดจากการใช้เครื่องนุ่งหม่มจากการใช้ที่อยู่จากอาหารต้องพิจารณาไม่ต้องวิจัยไหมต้องวิจัย แล้วก็ยาทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กิเลสเข้าไปยึดติดอย่างนี้แปลว่าเริ่มขึ้นสู่เรือได้แล้วเอาที่ผ่านมาได้วิจัยไหมได้พิจารณาไหมจะกินอาหารกินแบบเพลิดเพลิน เ, เลยไหมโอทพากินอย่างเงินยุ่งเลยบอบยุ่งเลยเนะื้ออาหารก็ถวายด้วยใช่ไหมเขาบรรจงทําด้วยน้อมสละด้วยเขาเป็นบุญหมดเลยเราทําให้บาปเกิดอยู่คนเดียวเนียรยุ่งไหมเนี่ย ยุ่งเลยพระตายไปก็เป็นได้แค่หนอนนะพระเนี่ยถ้าทําได้เงี้ยเนี่ยน่าเจ็ียดไหมบ่มเป็นศีลจะไปได้เป็นหนอนเงี้ยโหไม่ไม่คุ้มเลยอ่งไงโทษกันไม่พิจารณาปัจจามิตรเพราะเราไม่ต้องการจมอยู่ในอามิตรเพระจมอยู่ในสัตว์ทั้งหลายที่ออกจากที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกจากเครื่องนุ่งห่มไม่ได้ออกจากอาหารไม่ได้ออกจาก ยาหรือวิตามินทั้งหลายไม่ได้อถ้าออกจากที่อยู่ไม่ได้เป็นได้แค่มดแมลงไหมได้กินแค่อบายศาสตร์วิ่งวนอยู่ในกุฏิหลังนั้นแหละถ้าออกจากปจาัจจัยมิตรไม่ได้ออกจากอไอเสื้อผ้าไม่ได้เครื่องนุ่งห่มไม่ได้เป็นได้แค่เลนแล้วแมะลงวันจับเสื้อผ้าอยู่ในในชอบมากถ้าออกจากอาหารไม่ได้เป็นได้แค่หนอนในหยุดทําซ้วมเมาสิน่ากลัวไหมยิย่งไงเราไปเปิดโถส้วมดูดิ ยั่วเยี่ยมเต็มไปหมดนี่ไงติดรสของอาหารนะนี่โทษไม่ได้พิจารณาปัจเวกขณะสุทีใช่ไหมเนี่ยติดย็นรดาวิตามินเัื่องหลายนนั้นเลยยินดีในร่างกายไปหืออ้วนพีไปใช่ไหมนี่อามาก็าแปลกแต่ก่อนเ น, นี่ยคนตายนิยมเวลาคนตายเนี่ยเนีเขาปิดฝาลงแน่นเลยเนะี่ย ตายปุ๊บหนีปิดหรืออัดให้แน่นหรือสี่วันห้าวันไปเปิดนอนเต็มเยอะปรมาอย่างหนึ่งคือที่เรานั่งกัยืนหนอนเต็มไปหมดในร่างกายเ๋ยวเราไม่รู้ฉะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอบายสัตว์เต็มหมดเยมนิดนึงอบายสัตว์เต็มหมดมันเป็นทั้งเลือนกินเลือนคลอดเลือนตายเลือนเรื่องอ เ, อ ง, เองีเ้ย ถ่ายอุาปัสวะก็เต็มสรีระสัตว์เราท่านทั้งหลายเนี่นนยพระพุทเจ้าเห็นงเห็นโทษของสรีราะท่านหนึงวิจัยเข้าใจใช่งไหมแต่เราไม่ได้วิจัยเราก็เลนยนึกว่าโอ้โหงามที่ไหนได้อาธมีตาข้ามิจักสุขของภริรยาเนี่ยเราจะสยดสยองเรื่องเหล่านี้ไหมน่ากลัว ม, มากน่ากลัวมากนี่เป็นอย่างนี้ ฉะนั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าว่ามีศีลไม่พอก็ต้องขึ้นสุนเรือเรือเรือช่วจัยเพื่อจนไ่ติดวัดบบปัจจามิตรแล้วก็โลกามิตรนั้นเสียงสารเสริญเย็นยอตำแหน่งหน้าที่การงานไม่จีร้างเลยหรอกนะถ้าถามว่าโ อ, อยังอามาเนี่ยถ้าอามาจะจะติดกับมันไหม มไม่ไม่มาต้องเตือนตัวเองดนวยที่สุดจริงๆนะมาก็เดินเดินจากทุกคนแล้วบอกไว้เลยในที่สุดจริงๆมาอยู่ไม่นานหรอมาก็ต้องเดินจากออกมาก็ต้องมีกิจกรรมตัวเองในการที่ไปทําพวกเราก็ต้องจากจากกันทั้งหมดไม่มีใครอยู่เนะี่ยฉะนั้นทุกคนต้องเร่งรีบต้องเร่งควนขวายกันเยอะไหมมันกิจกรรมนี้มันมีแค่เพื่อเลิกลาอยู่ แต่เก็บประโยชน์ให้ได้เก็บสาระให้ได้แล้วก็เก็บออกสารธรรมคําสอนให้ได้แล้วก็จะได้เดินไปคนเดียวยมไม่มีใครเป็นเพื่อนเรา แ, แต่ศรัทธาจะเป็นเพื่อนเราถ้าเราถูกต้องแล้วเข้าใจพระพุทธเจ้าศรัทธาท่านแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าอย่างนั้นตันหาจะมาเป็นเพื่อนโยมถ้างนั้นมันจะพาเราหกคเมนตีลังกาไปอีกแล้ว ยมเห็นใครเนี่นะเห็นลูกเห็นภรรยาเห็นสามีเห็นน้องเห็นนุ่งจากจากเนี่ ย, ายจากเนี่ยบอกท่องกันไว้ในใจจากเนี่ยเนี่ยเราเกิดมาเพื่อจากกันจริงไหมจริงเกิดมาเพื่อจากไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดติดอะไรกันเลยฉะนั้นมองหน้าก็เหอจากอยู่กันไม่นานหรอกถ้าเป็นอย่างนี้จริงจริงมีเพื่อจากจริงๆ ฉะนั้นก่อนที่เราจะจากเราจะได้บุญจากสิ่งนั้นอย่างไรเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วเราจะทํายังไงให้ได้บุญเกิดให้มากที่สุดให้ได้กุศลมากที่สุดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นอย่างนี้ส่วนคําว่าอูชูปฏิบัตโนเนี่ยคําว่าปฏิบัติตรงเนี่ยนะปฏิบัติตรงเนี่ยนะไม่หวนกลับมาบ่อยๆอะตอนนี้เรากลับมาบ่อยไหมในพบเนี้ย บ่อยมากดีนะที่เราเ ล, ลึกชาติไม่ได้ถ้าเราลึกชาติได้แล้วก็จะนั่งโอโ้มาบ่อยเหลือเกินคุณเนี่ยไม่ยอมออกจากภพทุทีเลยเนี่ยก็เรียกปฏิบัติเพื่อหวนกลับพวกเราเนี่ยเดี๋ยว ก, ก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็เกิดเป็นเปรตเดี๋ยวก็เกิดเป็นอสุรกายเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นพรหมก็วนอยู่เนี้ยนี่พอคือปฏิบัติหวนกลับ แต่อูชูปฏิบัติโนเขาไมไ่กลับมาบ่อยๆแบบเราเลยเขาไปหมดแล้วเห็นไหมเขาปฏิบัติตรงไหมปฏิบัติตรงนี่ปฏิบัติตรงไม่คดปฏิบัติไม่ค ด, ไ ม, คดไม่คดเหมือนปัสสาวะโคไม่โค้งเหมือนกระเซียวพระจันทร์ แล้วก็ไม่งอเหมือนหางไถอภาสวะโคโคดยังไงเคยเห็นโคเดินไหมเวลาเดินไปปภสวะไปโคดไหมโคดอย่างเงี้ยยอมเงี้ยโคดอย่างเงี้ยอันนี้ปฏิบัติโคดพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่โคดไหมงอไหมนี่แหละแบบหางไถเคยเห็นหางไถไหมโบราณจะยังรู้จักเนี่เยเขาเรียกงองออย่างหางไถถ้า สาวของบุริเจ้าหม่ปฏิบัติมัชชิมาปฏิบาาัติธรรว่ามัชชิมาปฏิบัติเนี่ยแปลว่าอะไรปฏิบัติทางสายกลางเอากลางเอาอะไร ม, มาวัดอตอบหน่อยที่คาว่าสายกลางเนี่ยเอาอะไรวัดกลางนี่เอาอะไรวัดเอาอะไรวัด ต้องอยู่ระหว่างเ อ, อการมาสุขคันลิ ก, า, ก, ก า, านิโยกกับอัตตกิรมัฐานนุโยกคือไม่เอียงก็หาโลภะไม่เอียงก็หาโทสะและโมหะเป็นต้นเดินตรงตามสติสัมปชัญญะนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินอันนี้เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิบัติมีสติมีสัมปชัญญมมะมีความเพียรที่ถูกต้อง เก้าคือมีศีลสมาธิปัญญานี่นเ่ศาสาตราทิฏฐิเนี่ยโค้งไหมอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์เห็นไหมเห็นว่าเที่ยงก็เห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยนี้ยเคเรียดไม่ตรงแต่มาชิมาปฏิปทาจะอยู่ระหว่างไอ้คาว่าระหว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าระหว่างอย่างความเข้าใจของเราเนะ้แต่ต้องเอาอะไรมาวัดเอาเนี่ยเอาแบบประเภทประกอบตนีนหมกมุ่นในการปคุณที่มีโลภะเป็นฐาน กับทําตนาที่ลาบากทิ้งเพลียทั้งหลายที่มีโทสะเป็นฐานเนี่ยเอากลางนี้แล้วก็เอากลางไม่ไม่เป็น ส, สัตตะเห็นว่าเที่ยงกับอุเจทาเห็นว่ากาดศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเขาเรียกว่าปริบัตรงตรอ ง, งอย่างนี้เอาใครจะถามอะไรเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะได้เกลียใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ย จะมีไหมเพราะจริงๆเป็นวันแรกเนาะอันนี้ไปคุยกันเพื่อให้สวดมนต์ถูกอะทางนั้นจะสวดไม่สวดยากเลยใช่ไหมสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วผู้ชุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกะสังโค ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้ ว, ล ว, วน้่สวดไปอย่างนี้สวดมวลชื่นใจได้เกินนี่เราก็รู้เลยใช่ไหมปฏิบัติดีอย่างนี้ปฏิบัติตรงอย่างนี้นี่ถ้เวาลาสวดเนี่ยคือที่จริง ถ้าเราสวดแล้วเริ่มรู้อัฏถานี่เนะเวลาสวดนี่จะชัดเจนขึ้นถ้าอามาสวดเนี่ยอามาจะชอบสวดช้าๆบางทีออามาก็สวดเป็นทํานองนะยงยกใหญ่ขึนอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ เวจาจารณาสัมปันโนสุขาโตโลขวิดูอนุตตาโรปุริสัดัมมาสารดีสัธาเดวมนุสานัมพุทโธบคะวะติเนครื่องมาสวดออกมาก็ลึกแต่เราสอ์ แต่และความหมายแต่และความหมายแบบมาไม่ต้องแปลใช่ไหมพอมาถอดอัธยาได้นี่นแล้วจริงๆออกมาสวดดังวันนี้นะวเวลาสวดพอสวดองค์เดียวสวดพอพอมาต้องการตรึกพระคุณเอ็นคุณถ้าถึงทำมาคุณออกมาก็สวดเพื่อจะลึกเพื่อทำมาคุณแล้วออกมาตั้งใจที่จะสวดจริงๆด้วยถ้าสวดนี่เนะีแต่ว่าเราไปสวดตามอย่างเงี้ยมาก็ไม่ค่อย ตรวจตามเสียงออกมาจะสูงๆเลจะไม่ค่อยจะจะจะจ ะ, จะสมดุลกับพวกเราอามาก็ถ้าเป็นไปได้อมาต้องการฟังแล้วก็น้อมตามอยงคือฟังแล้วมาก็ได้อัธยาและก็สาธยายตามไปดูถ้าเป็นอามานำเนี่ยเหมือนกับมาสรวดสรวจแรไรต่างเสียงจะมั น, นจะขึ้นสูงๆทั้งยมจะเสียงต่ำกว่ามาหน่อยอย่างนี้ก็เลยก็ะจะเป็นอย่างนี้แต่ยังถ้าสรวจนี่แปลนี่ดีไม่ดี สวดแปลจะได้อย่างเราจะเก็บสาระได้ถึงแม้ว่าสาบต่อสาบคําต่อคําอย่างนี้นะแต่ก็ทําให้เรารู้ขึ้นเยอะเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะปัญญาได้นะแต่ต่อไปเราเจาะความเข้าใจไปเรื่อยๆต่อไปการสวดมนต์จะจะไม่ง่วงและสวดเราจะนอบน้อมพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ถูกขึ้นบุญจะเกิดนะ กระแสห่วงบุญห่วงกุศลก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหนิยามที่เราจะต้องอยู่คนเดียวถ้าเราสาทยายนี่ไม่ได้นะชีวิตนี่เ ว, ว้าเหเว่ยมากเราไม่มีช่องทางในการเดินกุศลเลยอะถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะหูก็ตึงตาก็บอดแล้วจำ อ, อะไรเรียนธรรมะถ้าจำอะไรไม่ได้ เราจําได้เจ็ดชื่อภรรยาชื่อสามีชื่อลูกเราจะท่องเป็นคุณของพระเจ้าได้ไหมก็เรียกแต่ชื่อพ่อชื่อแม่นี่ไงเพราะเราคิดถึงพ่อแม่มากเราคิดถึงปู่ย่าตายายมากเราคิดถึงเพื่อนมากคิดถึงสามีภรรยามากคิดถึงลูกมากลูกก็อยู่ในใจเราตลอดนั่นแหละแล่นไหนพระเจ้าไปไหนพระธรามวาฒนงไปไหนคิดไม่ออกเลยตอนนี้ยุ่งเลย มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราจะไปเดินคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยใจต้องมีข้อมูล